เพ่งพากันตั้งใจให้ดีในว่าเวลานี้เรามาประชุมกันที่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกสํารวมใจเพราะใจนี้เป็นของรักษายากกว่าการรักษาทรัพย์สินเงินทองใดนๆนทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกฝนการฝึกฝนนี่แหละได้ชัว่าเป็นการอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าถ้าหากว่ามัวตะเกียบกล้าไม่ฝึกฝนตนอินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้าอินทรีย์มันมีอยู่ห้าอย่างสตินทรีย์ ได้แก่ความเชื่อวิริยเฉีได้แก่ความภาเพียรพยายามละชั่วทำดีสตินชีอินชีคือสติหอมระลึกได้สมาธินเีอินชีคือสมาธิการทำจิตให้ตั้งมัน่นอยู่ในกุศลธรรม ฟันยินีสีอินรีคือปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงคุณธรรมห้าอย่างนี้แหละต้องบำเพ็ญให้เสมอกันไปทีว่าให้มันแก่กล้าเสมอกันไปมันจึงมีกำลังมากมาหน้สามารถที่จะละกิเลส ให้ขาดจากสันดานได้ก็เพราะอาศัยอบรมอินทรีย์ห้าอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆสัททินทรีนั้นต้องมีความเชื่อมั่นในใจยิงๆในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของอุททเจ้าเราเชื่อว่าได้ผลยิงๆผู้ปฏิบัติตามถูกทางแล้วยอมทำกิเลส อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เบาบางไปได้จริงๆในความเชื่อในที่นี่มันก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละว่าตามหลักแล้วนะว่าตามหลักอีกแบบหนึง่งก็เชื่อเพราะปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าหนึ่งเชื่อว่า ตัวของเรามีกรรมเป็นขอ ง, ของตนหนึ่งเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนหนึ่งเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันใดไว้ ย, ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นหนึ่งนี่ความเชื่อสี่ประการนี้นะสำคัญมากทีเดียวเพราะนั้นต้องบำเพ็ญให้เป็นไป ถ้าหากว่าชาวพุทธทั้งหลายนะไม่เชื่อต่อพระปัญญาตัตรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่นับถือพระองค์เลยแต่นั่นแหละบางคนก็นับถือตมตามกันไปเฉยๆก็มีก็ยังไม่รู้ชัดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษเพราะอะไรเขาว่าเป็นผู้วิเศษก็ วิเศษกันไปอย่างนั้นเองอเหมือนอย่างพระภูมิเจ้าที่ที่ศาสนาพราหมณ์เขาสอนกันอยู่นะเน่ยนับถือก็อพระภูมิเจ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์น ะ, ะมีอานาจสามารถดนบันดาลให้คนเจ็บป่วยก็ได้หาสามารถรดนบันดาลให้มีความสุขความเจริญก็ได้ เท่นั้นเราก็เชื่อกันเลยอืการเชื่อลมๆเล้งๆไปแบบนั้นเราไม่มีเหตุผลอันพระภูมิเจ้าที่นั้นท่านนี้สร้างความดีอะไรมาแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยแล้วก็มาเดากันเอาเดากันเรื่อยๆมาตั้งแต่บุรพาจารย์เขานน่นเลมแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี้ ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านี่ยังมีพิสดารอย่างกว้งขวังเลยอย่างที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนั่นเนี่ยนี่มีหลักเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์เช่นพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาในสงสารนี่สามสิบทัศน์ เมื่อพระบารมีนี้เต็มบริบูรณ์แล้วถึงจะได้ตัดสัรู้สัมมาสัมโพธิญาณมันมีหลักเกณฑ์อยู่อย่างนี้นี้่อบารมีสิบประการมีทัทานะบารมีเป็นตน้นมีเวขาบารมีเป็นที่สุดนี่คุณธรรมสิบอย่างนี้พระองค์เจ้าขนำมาแสดงไว้แล้วว่าพระองค์สร้างบารมีสิบประการนี้มาในสงสารนับชาติไม่ท้วน วัวบุญบา ร, รมีนี่จะเต็มมีสักขีพยานให้เห็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายมาได้พิจารณาเห็นความดีของพระองค์เห็นคุณธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาจนว่ามาถึงขั้นสุดท้าย พระองค์ก็ได้มารู้ปฏิจจธมุกรรมบาทคือปัจจัยแห่งชีวิตนี่ชีวิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่ก็เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยตัวสําคัญทีเดียวคือความไม่รู้นี่แหละพูดง่ายๆความไม่รู้นี่เป็นเหตุให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้าง น, นี่นะ แล้วกรรมดีกรรมชั่วนั้นก่อนนำจิตดวงนี้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่สวสุขบ้างสวทุกบ้างตามกรรมที่ทำนั้นนั่นเหตุนั้นนีนน่เราต้องเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆมีเหตุมีผล อ้างอิงหลายอยา่างถ้าจะพัฒนาพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ท่านว่าไม่มีสิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วมาพัฒนาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่ร่วงแล้วมาจนตลอดพระชนม์นชีพของพระองค์พระคุณนั้นก็ยังไม่หมดอืม อันนี้ก็น่าเป็นจริงนะก็เพราะว่าก็อโพธิสัตว์แต่ละข้อองค์สร้างบา ร, รมีมาในสงสารกลัวจะเต็มนะนับเป็นหลายอสงไขย่างต่ำนั้นสี่อสงไขย่างกลางนั้นแปดอสงไขยเพราะนั่นแหะกลัวพระบารมีจะเต็มบริบูรณ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาของตนโ ด, ดยเฉี่ยแจ้งเมื่อเราเชื่อพระปัญญาตัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันกดต้องเชื่อต่อการกระทำแบบนี้นะเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์จะได้เป็นพระที่เจ้านั่นก็เพราะพระองค์ลงมือกระทํา ความดีแล้วพระองค์ก็เพียนละความชั่วให้หมดไปสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์อาศัยบุญกุศลความดีบารมีธรรมอันนั้นเป็นกำลังจัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ทั้งหลายมีอยู่ในพระทยัยให้หมดสิ้นไปอันนี้แหละ พถึงว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดนะนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่ละความชั่วและไม่เพียรพยายามสั่งสมความดีให้เกิดให้เจริญขึ้นได้นี้พระองค์จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยขอให้คิดเห็นอย่างนี้เมื่อเมื่อเห็นว่าตัวเรานี่ก็มีกรรมเป็นของขตน้น ตนจะมีความสุขได้ตนก็เพราะทําความดีตนจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะตนทําความชั่วเหน่ยกายวาจาใจแหนบุคคลอื่นและตัดเอื่นก็เหมือนกัน่ะอืมจะมีความ ส, สุขหรือความทุกข์ได้ก็เกิดแก่การกระทําของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับตน ก็ไม่สงสัยเลยเนี่ยความเป็นมาของตัวเองและความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายตลอดถึงจะเป็นไปในข้างหน้าหากว่าผู้ใดยังละกิเลสไม่ขาดจากสันดานก็จะต้องได้อบรมอินทรีย์บารมีเหล่านี้ให้แก่กล้าขึ้นในตน้นท่านพ่อมเมื่อมีความเชื่อแล้ว มันก็ต้องมีความเพียนแหลอะอเพราะว่ากี่ลรตั้นหาอันเมือ่อนอนเนื่องอยู่ในสันดานนี่เนี่ยมันก็เหนียวแน่นพอได้เหมือนกันเราจะไปละเอาดื้อๆโดยไม่ภาคเพียนพยายามทาจิตให้สงบไม่เพียนพยายามละความชั่วออกไปอย่างนี้นะมันจะได้ยังไง ความชั่วนั่นแหละคือตัวกิเลสละกิเลสก็คือละความชั่วอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอนะ่ะเมื่อคคใดมารู้ว่ากิเลสหรือบาปประธรรมนี่เป็นเสนียดจนไลต่อชีวิตนำตนให้เป็นทุกข์ไปในสงสารก็เพราะกิเลสบาปธรรมนี่แหละเมื่อรู้อย่างนี้เ้วก็เพียนพยายามละมันออกไปเอาละอะไรเ่า ละความโลภด้วยการให้ทานละความโกรธ ด, ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาการุณาให้แขกกล้าขึ้นมีวิธีละนะละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการภาคผีนั่งสมาธิภาวนาไหวพระสวดมนต์เบื้องต้นเราก็ไหวพระกอนนั่นแหละ ไหวพระเสร็จแล้วก็จึงนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคือว่าอย่าละลึกไปทางอื่นสติละลึกอยู่ที่กายที่ใจเมื่อรู้ว่าตนนั่งสมาีิอยู่ตรงนี้ อย่างนี้นะมารู้กายอย่างนี้แล้วก็เพ่งสติน้อมเข้าไปหาใจวันนี้ใจก็คือความรู้อันเนี้ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อะ น, นั้นเราเรา ล, ลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นแหละวันนี้ผู้ที่ชอบบริกรรมพุทโธเมื่ อ, อย่างสติเข้าไปถึงความรู้ออ ควบคุมความรู้อันนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ไม่ไม่คิดไปทางอื่นแล้วอย่างนี้เราก็บริกรรมพุทโธอยู่ในความรู้นั่นแหละความรู้ตั้งอยู่ตรงไหนพุทโธก็ให้อยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าผู้ที่นึกบริกรรมพุทโธมันจิตไม่อยู่มันฟุ้งซ่านเช่นนี้ก็งดนึกพุทโธเสีย แล้วก็มาเพ่งจะลมหายใจเข้าหายใจออกนี่จิตจะได้สงบลงไปเพราะว่าเอาจิตมากำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้นะแล้วมีสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่แต่เฉพาะลมเข้าลมออกนี่ เมื่อทำอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดไปทางอื่นได้มันจะสงบอยู่ภายในสติตัวนี้สำคัญมากนะสติแปลว่าความระลึกได้คือว่าระลึกอยู่แต่ในจิตยอย่างเดียวไม่าระลึกส่งออกไปข้างนอกนี่นะการที่จิตจะสงบ เป็นสมาธิได้นะถ้าหากว่าปล่อยให้สติระลึกไปทางอื่นแล้วจิตนี้สงบลงไม่ได้เลยอ่า ม, มีสิ่งอื่นใดจะมาบังคับจิตนี้ได้เท่ากับสติไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติเป็นทำเครื่องเป็นทำเครื่องอุปการะแก่ทมทั้งหลายเหตุดังนั้นในขณะที่ภาคเพียน ภาวนาอยู่นี่ก็ให้มีสติกำกับพร้อมที่ท่านเรียกว่าสตินชีน่ะนะให้มีสติระลึกเข้าไปที่ภายในจิตใจนะให้ได้ส่วนมากนันไม่ค่อยระลึกถึงจิตตัวเองไประลึกถึงแต่เรื่องอื่นน้นมันมากขวมเอกถึงจิตตัวเองเพราะฉะนั้นจิตนี้มันจึงถูกกิเลสผลักดันให้ คิดเลื่อนลอยไปทั่วให้ส่งไปเกาะไปคล้องกับอะไรกับอะไรอยู่ภายนอกนู่นนี่นั่นเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ใช่เป็นทางไปสู่ความสุขอ้าวทาไมจึงว่าเป็นทางไปสู่ทุกข์ก็เมื่อเมื่อจิตไปเกาะไปคล้องอยู่ภายนอกนู่นแล้วอย่างนี้พอตายลงเนี่ยจิตนั่นจะไปสวรรค์ไปพันิพยานไม่ได้เลย มันนี่มันคล้องอยู่กับสิ่งใดมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นแต่ผูกพันอยู่แล้วเอาไปใช้สอยอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างบุคคลห่วงเงินห่วงทองอะไร น, นี่นะเอาไปฝังไว้ใต้ดินเนี่ยมันนี่เมื่อเวลาจวนจะตายจิตก็เคสห่วงแต่หาเงินอย่างนี้นะพอตายลงแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าอยู่นั่น หรือเกิดเป็นสัตว์สิ่งใด้ฉานชนิดใดชนดิดหนึ่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละจะเอาเงินทองได้ไปใช้ใจ่ายที่ไหนก็ไม่ได้เนี่ยนะเพราะจิตมันห่วงมันไม่ใช่สมบัติของพวกเปรตพวกผีมันสมบัติของมนุษย์แต่ว่าจิตใจมนุษย์นี่หากไปห่วงไปห่วงไว้เพราะฉะนั้นน่ะมันถึงไปไหนไม่ได้จิตนัน้นเอ มันก็เป็นห่ว ง, งนั้นถ้ามีคนเข้ามาขุดมาคนเอาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนหลายถ้ามีอำนาจก็สามารถทำให้บุคคลอันนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยตายลงไปทำบาปลงไปอีก อ, อย่างนี้แหละไอาการที่ทรงเกียรติให้ไปกรอบไปคล้องอยู่กับสิ่งที่ตนรักตนนองเห็นในโลกนี้นะ มันไม่มันเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ไม่ใช่ทางไปสู่ทุกขก็ตต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อผูใ้ใดเตือนตนได้อย่างนี้มันก็ไม่ไปแล้วไม่เกาะไม่คล้องมันก็ถอนตัวมันก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มากําหนดรู้อยู่ที่รู้นี่เอาสติไปควบคุมความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้นะ เนี่ยที่ท่านเรียกว่าสมาธินีอบรมอินทรีย์ให้มันแก่กล้าอบรมสมาธินี่ให้แก่กล้าอย่าทำสักแต่ว่าขอพิธีตั้งใจทําให้มากจริงจรเมื่อทําให้มากไม่ท้อไม่ถอ ย, ยจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงได้เนี่ยอ่ามันทําไม่ถอยนี่เพ่งไม่ถอยอ่ะ มันสําคัญในเรื่องการเพ่งนี่แหละให้เข้าใจการเจริญกรรมฐานใดๆก็ดีมันเกี่ยวแก่การเพ่งหมดเลยเช่นเพ่งอธุพระกรรมฐานอย่างนี้นะนี่เราเพ่งอยู่ภายในไม่อยู่เมยอนไอร่างกายนี่มันก็ปรากฏในใจนั่นแนหะมันโศครกอย่างไรโศกปลกอย่างไรมันก็เป็นภาพปรากฏ ขึ้นในใจนุ่นเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเมื่อกําหนดว่าหากว่าจิตนี้ถอนออกจากร่างนี้แล้วร่างกายนี้จะเป็นอย่างไรเพ่งไปมันก็เห็นมันเน่ามันขึ้นเอือดสีข่ําสีดําไปเห็นน้าเหลืองไหลออกจากปากจากจมูกจากทวารทั้งเก้าอย่างนี้แหละ นานไปก็เปื่อยเน่ากระจายกันออกไปพวกสัตว์ทั้งหลายมายื้อแย่งกันกินมีสุนัขบ้างกาบ้างแร้งบ้างสุนัขจิงจอกบ้างสมัยข้างพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าผีดิบซากศพผีดิบเอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้า โดยเพียงแต่เอาผ้าขาวห่อเท่านั้นเองวันนี้สัตว์ทั้งหลายมันเห็นเข้ามันก็มายื้อแย่งกันกินอย่างนี้แหละมันมันก็เป็นอย่างนี้รูปร่างกายของคนเราไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เลยก็ต้องเพ่งดูให้อตุภะนิมิติปรากฏในใจขึ้นมาอย่างนั้นแล้วจิตที่เคยกำหนัดกินดี ในรูปในกายอันนี้มาแต่ก่อนก็คลายออกไปเพราะมันเห็นว่ารูปกายนี่มันไม่สวยงามอะไรมันสวยงามแต่ตอนที่ตกแต่งเท่านั้นเองนะตอนที่เอาดัดผมบอกทาแป้งบอเอาสายสร้อยมาใส่แขนใส่คอเอาแหวนเพชรมาใส่มือเอานาฬิกาข้อมาใส่ข้อเข้าไป เะนุ่งผ้าสีต่างๆหมุนี้เข้าไปนะ่ะคนมองดูแล้วว่าสวยว่างามเกิดความรักความใคร่ขึ้นมานี่เรียกว่ามันมองตื้นๆนะมองเห็นแต่ด้วยตาหนังธรรมดามองเห็นแต่ด้วยสัญญาเฉยๆไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอันผ้าผ่อนหมดนะั่นน่ะเมื่อ เอามานุ่งมาห่มในเข้าร่างกายนี้เข้าไปแล้วเหงื่อไครไหนออกมาติดเปะเปืเ้อนไปแล้วก็เศร้าหมองไปเก็ปรกไปถ้าไม่ซักไม่ฟอกแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไม่สมควรจะเอาไว้ใส่กายเลยเครื่องนุ่งทั้งหลายที่มันจะเอามาสวมใส่ตัวได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันซักมันฟอกอยู่เรื่อยมา มันถึงไม่มีกลิ่นเหม็นผ้านดงเป้า ม, มันเหม็นเพราะอะไรเพราะร่างกายภายในหนูมันธาตุส่วนที่มันเสียมันก็ออกมาจากขุมขนเป็นเหงือเป็นไข่ออกมาเป็นน้ำลายเป็นน้ำโมกออกจากปากจากจมูกเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะออกทางทวารหนักทวารเบาเนี่ยของเสียทั้งหลายมันหลั่งออกทวารทั้งเก้าเนี่ย ที่ออกทางหูก็เรียกว่าขี้หูออกทางตาก็เรียกว่าขี้ตาอย่างนี้มีแต่ขี้ทั้งหมดเลยอะ่ะอืมออกมานี่ไหนลองภาวนาพิจารณาดูให้ดีเราจะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรสวยงามเลยนี่แหละการเพ่งเห็นอสุภกรรมฐ า, านในใจอย่างนี้นะ่ะ อจิตใจมันก็จะคลายความกำหนัดยินดีออกไปแล้วมันก็รวมเป็นหนึ่งลงนี่การเพ่งอสุภะกรรมฐานนะเพ่งเอาจนว่าความกำหนัดยินดีมันคลายออกไปแล้วจิตมันรวมเป็นหนึ่งลงแล้วก็พิจารณาร่างอันนี้ต่อรูปกายอันนี้มันไม่ใช่เป็นตัวตนของเราอะไรบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้มันก็ เราก็บังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังสิบังคับให้มันสวยมันงามอย่าให้มันมันโสโครกโสโกโปกอย่างนี้นะบังคับให้มันเที่ยงมันยั่งยืนตลอดไปอย่างนี้มันบังคับไม่ได้เลยเรื่องการกรริญปัญญาเมื่อเราเพ่งดูอยู่ภายในแล้วนะเพราะว่ารูปกายนี้มัน เกิดขึ้นมาด้วยธาตุสีด่ดินน้ำไฟลมคืออาศัยธาตุของมารดากับบิดดาเนี่ยดวงจิตได้มาปฏิสนธิในธาตุของมารดาบิดาในท้องของมารดาอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทํามาตะก่อนมาตกแต่งรูปร่างกายอันนี้ให้คือตกแต่งธาตุเหล่านั้นนะให้เป็นรูปลักษณะต่าง ตามบุญตามกรรมที่ทํามาผู้ใดทําบุญมากทาความดีมากบุญก็มาตกแต่งร่างกายในี้ให้สวยงามให้มีอายุยืนยาวนานผู้ใดทําบาปมากทาบุญน้อยบุญก็มาตกแต่งร่างกายในี้ให้ไม่สวยไม่งามไม่ยั่งยืนอายุไม่ยืนยาวนาน พอหมดบุญแล้วก็หมดอายุไปด้วยกันนี่เราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อมันเบื่อหน่ายด้วยอํานาจแห่งปัญญานั้นก็คลายคลองกําหนัดยินดีในรูปอันนี้ลง บัดีเมื่อความคลายความยินดีในรูปนี่แล้วมะโก็คลายความยินดีในนามธรรมด้วยกันเพราะว่านามธรรมก็ออาศัยจิตกับกายนี่แหละจึงตั้งอยู่ได้ถ้ารูปแตกนามก็ดับตั้งอยู่ไม่ได้เลยอาศัยแต่ จิตตรงเดียวเท่านั้นแหละที่มันไม่ดับไปกับนามธรรมกับร่างกายจิตตรงนี้มันไม่ดับเหตุฉทนั้นมันยังมีบุญกรรมบาปกรรมนำไปสร้างรูปใหม่ให้ดวงจิตดวงนี้ได้อาศัยนี่ตรงใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาให้มัน เห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตอย่างนี้มันจึงจะไม่สงสัยไม่หลงรักหลงใครถ้าเป็นนักบวชต้องละให้ขาดไปได้ยิ่งดีเลยความรักของใครถ้าเป็นคารืหัดนี่เป็นธรรมดาแต่อย่าไปรักใครในสามีหรือภรรยาของคนอื่น ยินดีอยู่แต่ในสามีภรรยาของตนออย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่ว่ามันก็ไม่พ้นจากการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารแหละบุคคลผู้ยังละความกำหนัดยินดีไม่ได้ก็เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงในทรงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลไป เพราะว่าตนยังค้นจากสงสารนิพพยไม่ได้ยังจะต้องเกิดอีกอยู่ดังนั้นถ้าเกิดอีกก็ขอให้เกิดดีมีความสุขความเจริญมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณวันณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจปราศจากโรกภัยไข้ขเจ็บ มี่ความมุ่งหมายของคนเรานะ่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าได้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่นะแต่บางคนก็มีความมุ่งหมายอย่างนั้นจริงแต่และไม่ละช่วททำดีเพียงแต่ต้องการเฉยๆทำก็ทำไปแต่ขอไปทีทำความดีไม่ทำมากแถมยังไม่ยอมรักความช่วยอีกด้วยอย่างนี้นะ แล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะสุขก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์นั่นแหละสึกสุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ต้องการของคนเราต้องการมีความสุขล้นล้วนวนะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดต้องการความสุขลน้นล้วนนะก็ต้องลักความชั่วออกจากากายวาจาใจเสียอลักความโลภโดยการบริจาคทาน ละความโกรธด้วยการรักษาศีลให้มั่นด้วยการเจริญเมตตาการุณาให้มากมากดังกล่าวมาแล้วเพียนละความหลงด้วยการภาวนาทำใจให้สงบระ ง, งับลงไปเช่นนี้แล้วเมื่อใจสงบลงไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันหายหลงวะนี้โอ้ร่างกายขันหา่านี่เป็นอนิจจังทุกข์ฆาตตาจริงทีเดียว แต่ก่อนเราสำคัญว่าเป็นตัวตนของเราอ่ะว่าวันนี้เราเห็นแจ้งแล้วมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอันมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราจะได้อาศัยร่างกายนี้ไปตลอดเวลาไม่มีเลยตลอดกาลนานไม่ได้เมื่อเพ่งพิจารณาเห็นโดยปัญญายนี่ก็ปรงก็วางลงนั่นแหละนี่จึงได้ชื่อว่า เป็นพ่อพยายามปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปจะเป็นเครือหัดก็ดีเป็นนักบวดก็ดีสาธิโวโสถสชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในวันแปดค่ำสิบห้าค่าอย่างนี้นะก็พยายามเข้าวัดสมทานศีลโวโสถสกับพระแล้วก็อยู่ในวัดนั้นรักษาโวสถสดศีลไปสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิน้นกายใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นที่มากระทบตาเช่นนี้แล้วศีลอุโบสถนะั้นมันก็บริ ส, สุทธิ์พุตผ่องดีในมัวหมองอ้าเมื่อมีศีลอุโสถแล้วยังไม่มีภาวนาก็พยายามฝึกไหวพระภาวนาคำไหวพระนี่ก็มีตำรา ดัดื่นอยหาเอามาท่องมาจำเอาอท่องอย่างพิสดาไม่ได้ก็ท่องเอาอย่างยอ่อเช่นนะโมพุทธังไปถึงกาติยมปิสังขังสระนังคาฉามิอันนี้มีอยู่ในตำราเหมือนกันนะแล้วก็อิติปิสโสพุทธคุณน่ะ